ได้บรรยายธรรมะอันเป็นคําสอนของกมเด็ชตัศมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกผู้สนใจในธรรมะความจริงการฟังธรรมะเราก็ฟังกันมามากต่อมากแล้ว ถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคำพีก็ดูมันใกล้ๆกันว่าธรรมะนี่อยู่ไกลสุดเอื้อม <c oughs> แต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนให้รู้ธรรมะในตัวของเรานี่เราจะรู้สสกว่าธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจําเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือเรื่องกายกับใจของเรานั่นเอง เรามีสุขเพราะเรามีกายเรามีสุขเพราะเรามีใจเรามีภพกับเพราะเรามีกายเรามีภพกับเพราะเรามีใจกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์ เราจะลองนึกเดาเอาเองว่าควาดีแหละความทุกขเกิดที่กายกับใจบนแหลบาเกิดที่กายกับใจมาผลในความความดีเกิดที่กายกับใจอันนี้ขอฝากผู้ฟังไว้พิจารณาด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรเกิด พระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิเมื่อไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิก็เป็นอมะตะเมื่อเป็นอมะตะก็ไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่มีกายมีใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเดยนรูธรรมะนี่ เราควรจะได้เรียนรู้เรื่องกายกับใจของเรามากกว่ามากกว่าที่จะไปเรียนในคำทีให้มันมีความรู้มากๆเป็นการส่งเสริมจิตใมานะให้เกิดมากๆขึ้นแล้วกว็เที่ยวแบบเราบางทีไปขัดคอกันถ้าหากสมมติว่า <c oughs> เราจะพยายามทําความรู้สึก ทายอะเจตใจของเราว่าธรรมะเคยตายกับใจของเราธรรมะเคยตายกับใจของเราไม่เชื่อโกงลองนั่งหลักคากําหนดติดลงไปเดี๋ยวนี้ดูติกําหนดตัวไว้ที่จิดของตัวเองเมื่อท่านกําหนดตัวไว้ที่จิตของตัวเอง แม้จะพยายามทําจิตให้ว่างทําจิตให้เฉยเราก็ยังจะรู้สึกว่าเรามีกายปลากรดอยู่เพเรามีกายปรากรดอยู่ในความรู้สึกของเราเราก็รู้ว่าเรามีกายแต่ก็รู้ว่าเรามีใจใจเป็นธรรมชาติตัวโลยู่ที่กายเท่านั้น เมื่อเรานั่งฟังเทศนานความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นความปวดเมื่อยนั้นเป็นเวทนาเราไม่พอใจในความปวดในความเมื่อยในเมื่อเราไม่พอใจเราก็จะรู้ตึกว่าเวทนาอันนี้มันเกิดที่ไหนเกิดที่สะเอวบ้าง เกิดที่แข้งขาที่นั่งทับกันนานนานบ้างเกิดที่กายก็ความเมื่อยนั่งทรมานนานบ้าง น, นี่เราก็มองเห็นเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมหลักมหาสติปัฏฐานเสี่หลักมหาสติปัฏฐาน ส, ษษษษาานสี่กายเวทนาจิตธรรม เป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมถาสและวิปัสสนาธรรมศาส <c oughs> ดังนั้นที่อาตมาว่ากายกับใจเป็นธรรมเนี่ <c oughs> ก็คงไม่ผิดกระมัง <c oughs> เพราะหรับมหาตสติปัฏฐานสี่นี่ท่านบอกว่าธรรมสี่ประการทันเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานที่ระลึกของสติได้แก่กายหนึ่ง เวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งอาตมาบอกว่ากายกับใจเป็นธรรมะเด็กใจจะเสียงบ้างเพราะมีคัมภีที่จะกล่าวอ้าในหลักมหาสติปัฏฐานสีส่ยกกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตัง้งพระเจนั้นท่านที่นั่งหลับคาลงแล้วกําหนดโูดที่จิตของตัวเองนี่เมื่อเรายังรู้สึกว่าตายของเรายังกล้าหลอยู่ เวทนาสุขทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นี่กายเพราะเรามีกายเราจรึงรู้สึกว่ามีความสุขแหละความทุกข์ถ้าอาเรารู้สึกว่าไม่มีกายโศกมันก็ไม่เกิดขึ้นเช่นอย่างบางท่านอาจจะทำสมาธิภาวนา้ดยการเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แช่นจากภาวนาโพธิโยยกหนอทองหนอสัมมา阿拉หังเป็นต้นกด็ดีในขณะที่ท่านยังรู้สึกว่าตายมีจิตท่านก็นึกพธิโยยกหนอทองหนอสัมมา阿拉หังได้ก็ตอนนี้จิตของท่านมีเครื่องมือเครื่องใช้มีประสาททางสมองเป็นที่บงการในการใช้ความคิด มื่จิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่จ่อมมีความคิดได้คิดอะไรคิดโพดโถคิดยกหนอคองหนอคิดสัมมาอ拉หังแต่ถ้าโพกภาวนาคิดโพดโถสัมมาอ拉หังยกหนอคองหนอนานๆเข้าจนกระทั่งจิตเกิดความคล่องแทลวในการคิดนัหนักเข้าจตจะนึก โพธิโยบหนอะพองหนาะสัมมาอะนะหังเองโดยไม่ได้ตั้งใจเยินเนินนั่งนอนเิ่นเืิมทําเมื่อจิตตั้งตัวจำนี้ทนานาในการนึกอาสาคำจีท่านว่าบริกรรมภาวนาเมื่อจิตทํานาในการบริกรรมภาวนาจนตั้งตัวลองผลสุดท้ายจิตเขาจะนึกคําบริกรรมภาวนานั้นนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นโู้ภาวนาวก็ได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ฐานที่สองเพื่อได้วิต ก, กับวิจารจิตนลกถึงอารมณ์เองแล้วก็ตั้งใจนลกอารมณ์เองเคือนึกติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ว่างเว้นเลึกทุกลมหายใจต่างใจนึกต่อนนึกไม่ได้ต่างใจนึกก่อนึก โดยที่สุดแม่นอนหนับทรงไปแล้วจิตก็ยังจะต้องยุดหนอคองหน อ, หนอสัมมาอรังหังพดโทอยู่อันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องค์ทานที่หนึ่งกับทานที่สองเป็นุณไว้แล้วทีนี้โดยธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่นึกซ้ำๆกันอยู่ได้นานๆความส ง, งบของจิตก็ย่อมบังเกิดขึ้น ในมเมจิตมีความสงบย่อมประกอบด้วยองคือปีติความสุขและความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรียก ว, ว่าเอกัตตาในมเมจิตของนักภาวนาดำเนินไปถึงขั้นเอกัตตาแล้วเจตมีความเป็นหนึ่งไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดๆเป็นแต่ไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆ เมื่อจิตนิ่งบ้างสว่างอยู่เฉยๆจิตไม่ได้ยึดอะไรเป็นอารมณ์แม้แต่กายก็หายไปเวทนาก็หายไปจิตคือการนึกคิดก็หายไปทำอันเป็นศัตรูของการปฏิบัติคือนิบอรคฆ่าก็หายไปมีแต่จิตสงบนิ่งบ้างสว่างสบายอยู่อย่างเดียวโชไม่ปรากฏโชกไม่ปรากฏ มีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้จิตสงบกลงไปถึงขั้นอัปนาสมาธิที่ท่านทั้งหลายมักจะพูดกันว่าจิตอยู่ในทางขั้นที่สี่เมื่อจิตอยู่ในอัปนาสมาธิอยู่ในทางขั้นที่สี่กายหายไปแล้วถ้าใครทำถึงแล้วจะรู้สึกว่ากายหายไปแล้วกายไม่มีแล้ว มีแต่จิตดวงเดียวสว่างต้องอยเด่นอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีต่ําไม่มีสูงแต่หากมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้คือเจตจิตในขั้นสมถะสมถา น, าถานคําถามที่ฝากเห็ุเอาไว้นี้ว่าสมาถะคืออะไร ความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ข้ามปวงเวทนาสุขโตหายไปหมดความคิดหายไปหมดยังเหลตัวรู้ปรากฏเต็นทัตูนิวรณ์ห้าทั้งหลายก็ระงับไปหมดแล้วอันนี้เกิดเจตอยู่ในภูมิขั้นของสมถะสมถะ ท, <c oughs> ที่นี้ในเมื่อเจตนิ่งสง บ, บลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขตาอยู่ในฌานขั้นที่สี่ คามสงบของจิตที่นิ่งอยู่ในฌานขั้นที่สี่หรืออยู่ในสมาธิขั้นนี้เรียกว่าสมถาะาสมถะผู้ภาวนารู้ว่านี้คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌ า, า, านสี่ความรู้ว่าสมาธิฌานหรือสมถะเป็นภูมของวิปัสสนา เคยมันรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยที่ว่าสมถธิคืออะไรสมาธคืออะไรสมาธิคืออะไรในเมื่อท่านทําจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมาธได้แล้วความสงบนิ่งของจิตในขั้นสมาธิจึงได้ชื่อว่าสมถธิสมถานิความรู้ที่ทําให้ท่านหายสงสัยว่าอะไรคือสมาธิ อะไรคือสมถะอะไรคือธาตุท่านรู้ด้วยจิตของท่านเองแล้วว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือธาตอันนี้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาจดุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้ตามหลักตามคมภีของท่านท่านก็กล่าวว่าทำอะไรเป็นอุบายสาหรับระงั บ, บที่วรรคได้ เชิงเกิดเชิงเป็นผลงานเกิดเกิดจากการภาทาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งหรือโยคะวจนท่านใดท่านหนึ่งเมื่อสามารถทําจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิเชิงโจทล้อมประกอบด้วยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็มีวิตกวิการปีติสุขเอกขะก่าเดือดตะกอกขึ้นลงไปเป็นขักตนาสมาธิ อยู่ในฌานขั้นที่สี่อันนี้เป็นภูมิจิตที่อยู่ในสมถะสมถานที่นี่ว่าโตประสงค์ของการเจริญสมถะสมฐานเพื่ออะไรเพื่อหาโอบายหรือสร้างพลังจิตให้ต่อต้านพลังของกิเลสห้าตัวคือนิวอน นิวรณ์ห้านี่เป็นตัวกิเลสที่สําคัญคอยขั้นทางความดีความงามไม่ให้เกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติเมื่อท่านผู้ใดมาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิขั้นสมถะขับไล่นิวรณ์ห้าให้หายไปจากจิตของตนเองชั่วขณะหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้บําเพ็ญเพียรภาวนาโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนที <c oughs> นี้นิวรณ์ห้าประการนั้น ท่านทั้งหลายก็เคยได้อ่านคำจีเมื่อสักครู่นี้ท่านโคตุกก็ได้ประกศาศในมรราตามมาชันพระพยาบาทินะมมตตาอุธจักปุกจักวิกิขิตห า, า, า, า, าท่านก็ได้ฟังลงไปแล้วแต่อาตมาขอจ ะ, อะจะขอให้แง่ที่จะยึดเป็นหลักพิจารณาให้มันใกล้ๆกับตัวเองเรียกว่าเรียนธรรมะ ให้เกี่ยวพันกับตายกับใจของเราเองในขณะใดที่นักภาวนายังโลดสึกว่ากายของตัวเองยังปราบจุตินิวรณห้ามีโอกาสที่จะลบปวนท่านได้นิวรณ์ห้าตามมาฉันะทะคําพีท่านเขียนไว้ว่าตามฉันทะความพอใจในกรรมหรือความใตรในกรรม แต่ในที่นี้ก็จะจะขอให้คําจํากัดว่าการมาจารพระคือใจมันใฝสุกมันต้องการความสุขพอเริ่มต้นที่จะภาวนาแล้วมันเพราะมันต้องการความสุขมันเกิดความหงุดหงิดกุนง่านขึ้นมาทันทีเพราะความที่เกียจมันเข้ามาแทรกในเมื่อเกตมันใฝสุกมันต้องการความสุขมันไม่ยอมเสียสละความทุกข์ที่มันกําลังแบกอยู่ เพื่อบำเพ็ญ้อวัดปฏิบัติให้ได้บรรลุกุละครับเพราะถ้าทำลงไปแล้วมันเหล็ดมันเหนื่อยมันปวดแห้งปวดขาปวดหลังปวดเอวได้เมื่อมันโดนเวทนาอย่างนี้เข้ามากระทบแล้วมันอ่อนกำลังมันก็ลอยไปใฝ่หาแต่ความสบายมันอยากจะนอนถ้าเป็นส่วนใหญ่อันนี้ลักษณะของตามาสันทะ ที่มันเกิดขึ้นบรบกวนจิตในขณะที่เรากําลังนั่งภาวนาเมื่อกามฉันทาตวยใจที่มันใส่สุเกิดขึ้นพยาปาทะเริ่มแสดงบทบาทแต่ยังไม่รุนแรงเมื่อพยาปาทะแสดงบทบาทไอเจ้าศีนมิทธะอุตจักกุตจักความป้องก้านลํำพานความง่วงเหงา ห, าห่าวนอน ก็เข้ามาแทกในเมื่อสองอย่างนี้เข้ามาแทรก็อาศัยใจที่ไฝสุขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วว่าอาศัยตัวงดหงิดคือพยาบาทเข้ามาแทกเกิดความพุ้งตัานลำพังเกิดความร่วงเหวห่ า, านอนด้วยกิจลสถาความลังเลใจก็ปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นอย่างไรปรากฏขึ้นตรงที่ว่าฉันจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะภาวนาต่อไปหรือจะนอน มันเกิดความลังเล ส, สงสัยในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากิเลสมันนิ่วานห้ามันมีกำลังลุ่มแหลมมันก็สามารถที่จะบังคับจิตใจให้ตัดสินใจลงไปว่าไม่เอาละนอนดีกว่าทายาทมันก็กระโดดเข้ามาทาหน้าที่ของมันทันทีเพื่อมันมาตัดรอนคุณงามความดีซึ่งกำลังเราเริ่มจุดที่จะทำนั้นเอง อันนี้คือวิธีดูนิวรณห้าภายในจิตใจของเรา <c oughs> ทีนี้เมื่อ น, นิวรณห้าอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติต่อนิวรณห้าอย่างไรทำใจให้แข็งทำใจให้แข็งอาศัยันติความอดทนข่มใจ อ่ากใดบริกรรมภาวนาก็กลมใจบริกรรมภาวนาพโทโพโตโพโตยกหนอตองหนอยกตนอตองหนอสัมมาอรหังให้เร็วขึ้นเอาตนกระทั่งจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนาในเมื่อจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนามีความดูดซึมซึมราบอาการเบากายเบาจิตก็จะเกิดขึ้นกายสงบจิตสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อกายสงบจิตสงบ ใจก็สบายกายก็สบายหายปวดหายเมื่อยหายฟุ้งค้านลำคารมีแต่ความปลอดโปรงเพราะจิต ด, ดื่มรสตีดในมาเตติบางเกิดเพื่อความสุขันเป็นผลได้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อเจตมีปีติแต่ความสุขเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเจตลูดดื่มรสท่าจรดทำยาอินมหนำทำให้เกิดความเบิกบานใจ เิตไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายมุ่งหน้าต่อความสงบเรลื่อยไปจนเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดผู้ที่สงสัยว่าสมถะคืออะไรฟังแล้วพอที่จะเข้าใจได้แล้วหรือยังสมาถะคือความสงบจิตอันเป็นหนึ่งประกอบด้วยองค์อุเบกขาจิตที่สงบนิ่งลงเป็นหนึ่ง แน่นิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวซึ่งเราเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสามารถจะงับนิบอนท้าตามาสันทาพยาบาทสินามิท่าอุตจักภุกุจกจะหายไปหมดในขณะนั้นท่านนี้คือจิตสมถะทีนี้จิตวิปัาสสนาตามความเข้าใจของสังคมนักธรรมะทั้งหลายคืออะไรโอบายอันใด เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญปัญญาให้มีความคิดแตกฐานให้มีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอบายเรืองปัญญาทำปัญญาให้แตกฐานอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาที่นี้ในบางครั้งนักปฏิบัติของเราเนี่ย อาจจะภาการจิตอยู่แต่วิธีการตามจริงวิธีการนี่การปฏิบัติด้วยวิธีสมถ ะ, ะก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนาก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีการตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับฐานดื่มทำพูดคิดก็เป็นอุบายทำ آ, วิธีทำจิตให้สงบสงบเป็นสมาธิอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติทั้งหลาย ถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุคุณธรรมกันจริงๆขอได้โปร ด, ปดอย่าไปยึดจู่เพียงแค่วิธีการเพียงอย่างเดียวบางทีอาตมาอาจจะเคยพูดย้ำๆหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาถ้าผู้ใดเริ่มต้นด้วยการ บริกรรมภาวนาพุโทโธสัมมาร拉หังยกหนอพองหนอเป็นวิธีการปฏิบัติตามแบบสมถะถ้าท่านผู้ใดไม่ต้องฟังอิล่า่าอิลมอะไรก็นั่งหลับตาพุกลงไปก็ยกขันห้าอายตลณะสิทสองข่าสิแปดมาพิจารณาในแง่งพระไตรลักษ์ให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจทุขังอนัตตาเป็นการปฏิบัติตามแบบวิปัตตนา หรือท่านผู้ใดจะทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดหรือกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทำสติจดต้องรู้อยู่ภายในจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสนาวิธีการดังที่กล่าวมานั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคขตาด้วยกันเท่งนั้น แต่ขอยืนยันว่าถ้าสมธาธเปสมาธิไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌานไม่มีฌานก็ไม่มียานไม่มียานก็ไม่มีวิปัสสนาทีนี้ยานตามความหมายที่เข้าใจกันนั้นเราจะหมายเอาเพียงใดแค่ไหนเชื่อว่ายานก่ อ, อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ อาตมาจะขอนําเรื่องเป็นเจล็ดซึ่งมันออกจะเป็นเรื่องนอกกลุ่นอกคางไปหน่อยแต่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจท่านผู้ฟังโยเทวัป่าคารวันโยมาวันหนึ่งไม่ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งไปนั ม, มัสการแล้วถามว่าหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่อายุสิบสี่ปีเท่าที่ผมทราบหลวงพ่อกงเจริญสมถะวิปัสสนามาจนส่องตัว หลวงพ่อสามารถแสดงเลิดได้ไหมหลวงพ่อก็ตอบระว่าแสดงได้หลวงพ่อจะแสดงให้ดูได้ไหมได้เอาลองแสดงดูสิก็แสดงแล้วอย่างไรเอาไหนไม่เห็นแสดงหลวงพ่อก็บอกว่าตติอาคารตึกที่คุณมานั่งอยู่นี่มันสำเร็จขึ้นมาด้วยบุญญาเลิศ ถ้าฉันไม่มีบุญใครหนอเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่อันนี้คือฤทิ์ที่ท่านที่ฉันแสดงแล้วฤทิ์ตามที่คนเข้าใจนั้นมันช่วยอะไรคนได้ในสมัยพุทธกาลคนที่แสดงฤทธิ์เก่งที่สุดคือท่านเทวทัตแสดงแม่ต่อพระพักเขาผู้มีพระภาคเจ้าแในลงผลสุดท้ายผู้มีลิทอันวิเศษเช่นท่านเทวทัตเป็นอย่างไร ลงอเวจีใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งแต่อิทธิเิสเอาเลส ต, ตรงที่สามารถมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการ์รู้ทันเรื่องของกายรู้ทันเรื่องของจิตรู้ทันสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เราประสบอยู่เป็นชีวิตประจำวัน ในเมื่อเราโลภทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายเรื่องใจของเราถ้าตามใจที่เรายังไม่มีสติปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้ แม้เราจะมีฤทธิ์พิเศษดำดินบินบนหเหาะขึ้นเดินอากาศกแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับนักปฏิบัติเรามาสร้างกิทธิฤิ์เพื่อพิชิตกิเลส ท, ที่เรามีอยู่เป็นประจำเลทที่เรารแสดงได้นั้นแม้จะเก่งแั่เท่าไหร่ในเมื่อเราตายไปแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้ตามเราไปหรอกเหมือนกับชับสมบัติในถ่ายนอก แต่เนื้อสติปัญญาที่เราสามารถสร้างขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเพื่อต่อต้านอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะทําให้จิตของเรามีปัญญาตาญาณสามารถที่จะมองเห็นกิเลสตัวโตๆตตตเล็ก ๆ, ๆน้อยๆใหญ่ๆใน จ, จิตในใจของเราได้ที่เราแก้ไขปัญหาจิตใจของเราไม่ได้อยู่นี่เพราะเราไม่รู้จากตัวของเราเอง จะเป็นใครก็ตามในเมื่อนึกว่าคนอื่นเขามาก็บความทุกความเดือดร้อนให้แก่เราเช่ยยนยามก็ทีรับราชการอาทำดีนายก็ไม่ว่าดีทำดีนายก็ว่าแต่เราผิดไม่รู้จะให้ทำอย่างไรมันจึงจะกุบเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติท่านควรจะได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่ เจ้านายท่านว่าเรามีความผิดเราผิดกันที่ตรงไหนในเมื่อเราค้นหาความผิดของตัวเองไม่พบเราค้นต่อไปอีกค้นไปจนกระทั่งถึงจุดตําเลิศของเราเมื่อเราค้นไปทั้งกุจจต้นเลิศของเราแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนผิดเราผิดที่ตรงไหนผิดตรงที่เราอยากเกิดมาเป็นคนทําไม นี่จุดแก้มันอยู่ที่ตรงนี้นปฏิบัติที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้เป็นที่สบายแก่ตัวเองจริงๆต้องแก้ที่ตัวเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจรึงควรจะศึกษาให้รู้จักตนของตนวิธีจะศึกษาปฏิบัติในรู้จักตนของตนก็ไม่นี้ไปจากหลักของการทำสมาธิ ฉะนั้บางท่านอาจจะถามว่ามีความจําเป็นด้วยหรือที่ทุกคนต้องทําสมาธิขอตอบว่ามีความจําเป็นเพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายเรียนสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าท่านไม่มีสมาธิเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไรเรียนหนังสือเอาปริญญามาได้อย่างไร ไม่มีสมาธิทํางานใหญ่โตสาเร็จได้อย่างไรการเรียนก็ดีการทํางานก็ดีอาศัยพลังสมาธิตั้งนั้นมีบ้างไหมบางท่านในเมื่อตั้งใจคิดอะไรอยู่คิดอะไรด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจเพราะเพราไปรถจิตวันมุกว่างไปนิดหนึ่งแล้วเกิดความรู้ขึ้นมา ความรู้วัานั่นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องวิชาวความรู้เคยมีบ้างไหมที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใครเคยตีแล้วแสดงว่าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้ว